ถ้าทำมัเยตนาของท่านหลวงตามนหลักชีนะนโยตอนความสงบประย์ความเพื่อนไหววางในใจเราก็ต้องทำให้หมดะสิปัญญาต้องประกอบกับความสงบใจ ความสงบใจก็ทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นฐานเป็นราักฐานสําคัญความสงบใจทังนทำเราไม่เกิดขึ้นบ่อยเราจะใช้สัญญาจิดไปอย่างเดียวจะูีความสงบใจเป็นพื้นฐานกําลังของจิตมันก็ไม่มีเนั้นคนจะทิ้ฐานจิตให้ได้จิตของเขาต้องเป็นสมาชิตก็เป็นสมาธิไอ้พวกเราจะทิ้งไม่ได้ จะิ้งสมาธินี้นะแม้แต่จะมีสติปัญญาความความเข้าใจแต่มันเป็นความเข้าใจที่ไม่มีสมาธิในหลักฐานเพ ม, มีแต่ความคุ้งคล้านและแต่คิดเอามันไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวในใจของเราได้มันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งใจเป็นอันนั้นนั่นเป็นรวมหมดเลยทั้งสมาธิสติปัญญามันรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกภตาจิตจิตมันจะรู้ออกมาจากใจ ไม่ใช่ว่ามีตัวเราเข้าไปรู้ในใจจิตเนี่ยมันจะรู้ออกมาจากใจหรือใจเนี่ยมันจะรู้ออกมาจากใจคือมันรู้ออกมาจากใจจะเรียกว่าจิตหรือจะเรียกว่าใจหรืออะไรมันรู้ออกมาจากภายในมันต้องรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งใจเป็นทั้งไม่เข้าไปยึด อ, อะไรได้มันไม่เข้าไปยึด อ, อะไรมันได้แต่แค่รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบสิ่งที่ตาเห็นรับรูบร้รับทราบสิ่งที่หูได้ยิน นทั้งรูปลดดืนเสียงสัมผัสที่มาอยู่ปรากฏอยู่ไม่เข้าเป็นมีคุณไม่มีเข้าไม่มีเข้าไปมีคุณค่าไม่เข้าเป็นมีความหมายต่อจิตใจทําให้เกิดความลักความสั่งใจเขาก็ได้แต่รู้สัแต่วรู้สิ่งเหล่านั้นที่กระทบของตาหูจมูกริ้นกายใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะดีช่วอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสุขใจไม่สุีใจอย่างไรก็ตามเขาไม่มีค่าไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายต่อใจทําให้ใจเข้าไป สอดเกี่ยวคัวพันด้วความรักและด้ความชัน ม, มันรู้ออกมาจากใจด้วยใจที่สงบในวใจที่วางเปล่าด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยใ จ, จรู้ด้วยใจรู้ได้แต่กับตัวนี้กับตัวนี้ด้ใจที่สงบ้วใจที่สงบเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆในใจนมันมีความสงบล ม, มเย็นในใจนมันมีความสงบล ม, มเย็น ในขณะที่เราฝึกเนี่ยใจมันจะสงบหรือไม่สงบเราก็รู้ตอบกลับมารู้จมันไม่สงบเราฟังรู้สับแต่บมารู้อยวไปคาดหมายเข้าใจจิตว่าทําให้กิริยาการของใจมันไม่กลับเซื่อมไม่ไหวตัวตรงนี้สําคัญมากนะไม่ใช่ว่าเราไปทําให้จิตที่มันเนี่ยเป็นผันห้ามันนิ่งมันไม่คูกแต่งอะไร หรือกิริยาการของจิตมันจะแสดงฉันจะมีาการอาการของจิตอย่างไรใจก็ได้แต่รู้อยู่ในความเงียบความสงบความสงดรู้อยู่กับที่มันรู้แล้วไม่ไหลไปกับอะไรไม่พยายามไปไลร่รู้ไม่พยายามไปไล่ดับอะไรมันรู้อยู่กับที่รู้ออกมาจากใจพ้าพูดหรือไม่ยกตัวอย่างก็คงจะเข้าใจยากยกตัวอย่างมีครั้งหนึ่ง ลงตาไปนั่งปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ที่วัดธรรมสมืดที่ปาช่องโบสถ์เนี่ยเขามีปัตมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้บานใหญ่แล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นหน้าต่างกระจกทิศอยู่ทิศเข้าไหร่กั้นหนึ่งตอนที่เข้าไปปฏิบัติเนี่ยเขาเปิดหน้าต่างอยู่แล้วเขาไปนั่งอยู่คนเดียวในโบสถ์เวลาเขาจะเปิดหน้าต่างไม้เขาก็ต้องเปิดหน้าต่างกระจกออกไปก่อนแล้วก็ค่อยเปิดหน้าต่างไม้ออกไป ขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่ในโบสถ์เนี่ยจิตใจมันก็มีอาการคดอดูไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรจิตใจก็มีอาการว่าว่าวว่า ว, วมีอาการวุ่นวายมีอาการเหมือนเป็นพายุขึ้นมาในจิตใจมันปวดวายปั่นป่วนไปสารพัดที่จะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรจิตใจมันวุ่นวายปั่นป่วนแต่เราก็ฝึกให้สัจธรรรู้ไว้แต่สัจธรรมรู้ของเราเนี่ยมันป น, น, นมันปนวิจฉาทิตที่ คือเราสั่งแต่บรรู้แต่เราอยากให้ใจเราสงบเราไม่ได้อยากสับงแต่บรู้แต่เราจับแต่บรรู้ได้เราคาดหมายว่าเราจับแต่บารู้เดี๋ยวใจมันจะสงบเข้าใจไหมคือเราไปอยากให้ใจมันสงบแต่จริงๆเนี่ยแต่เราเนี่ยพยายามฝึกสับแต่บรรู้ฝึกต่บรรู้แต่จริงๆใจเราเนี่ยอยากให้ใจมันสงบเนี่ยมันมีกวาแอบแฝงเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวเราก็พยายามแต่จริงๆแล้ว เร า, ารมมเราบุญปิมมด ก, กับอาการของใจที่มันไม่สงบเราบอกว่าเราฝึกแติวัตรู้สติวัตรู้แต่เรามุดเริ่มบุญปิดกับอาการของใจที่มันไม่สงบจริงๆล่ะเราปรารถนาจะให้ใจมันสงบไม่รู้เป็นอะไรตนั้นีเกิดอาการที่มันว่าว่าว่าว่าปั่นป่วนอะไรก็มไม่รู้เรือ่องมันเหมือนกับองค์กรเหมือนกับอะไรอยู่ภายในวุ่นวายสารพัดบางเอิญข้างนอกโบสถ์ก ลมพายุพัดมาแรงมากเลยเสียงหน้าต่างกระจกพุบพุบพุบเสียงลมพายุพัดตีหน้าต่างกระจกพุบบพุเหมือนไอ้เราก็กลัวว่าหน้าต่างกระจกเนี่ยมันจะฟาดเข้ามาลิโก้มันจะรับไม่ไหวเดี๋ยวลมฟาดเข้ามาแรงๆให้หน้าต่างกระจกฟาดเข้ามาพุ๊บหน้าต่างกระจกก็จะแตกหมดใจก็พยายามจะอยากจะลุกไปปิดหน้าต่างกระจกไปปิดหน้าต่างทุกบานซะก่อน แต่ใจหนึ่งก็เกิดการต่อสู้กับปริยาการภายในของใจให้มันสงบมันเลยเกิดการต่อสู้กันอยู่ตลอดเลยในชายในจิตใจว่าลึกสรุกปไ ป, ปิต่างๆน่าจบกัะนนั้นดีหรือว่ามันจะต่อสู้ให้ใ จ, ใจิตใจอาการนั้นใจข้ในมันสงบดีไหนว่าศักแต่รารู้ใกใจแล้วเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยโอ้โหพิการต่อสู้ข้างในอย่างรุนแรง เราก็ไม่รู้ตัวแต่นั้นเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็เรียกว่าสักตะวารู้ปฏิบัติพยายามสักตะวารุสักเสเห็นอะไรแต่จริงมันไม่สักตะว่าคือมันไม่สักแต่ว่าคาว่ า, าสักตะว่าคือใจมันปล่อยวางมันไม่ใช่ไปทํากริยาการสักตะว่าแล้วแต่เราเนี่ยมันไปแอบแวงไว้คืงมุญเริ่มบุดหิดกับลมที่มันพัดต่างปุปุ๊บปุ๊บปุบ๊ที่จะทําใหกา้กระต่างกระจกไข่ไปเปิดหน้าต่างไว้ตอนนี้แม้เราก็ไม่ทันได้ดูเข้ามานั่นเราก็หุบหิดกรรมการของใจข้างในว่าไอ้ทำไมมัน ปัน่นป่วนแบบนี้ยีอยู่มันปัน่นป่วนขึ้นมาได้ไงเราเริ่หมดจิตเริ่มต่อตู้เริการพยายามจะทําให้มันนสงบเจ็ว่าเรามีความสับแตรวรู้แอบแฝงว่าจริงเขาก็สับแตรวรู้คือปล่อยวางเป็นยังไงก็ปล่อยวางแต่ไปวางไม่ปัญญาไม่ใช่ว่าปล่อยใช้เฉยเฉยเฉยเฉยไม่ปล่อยวางอะไรแต่ตอนนั้นเราไม่มีปัญญาเป็นวิจารณิสติในปัญญาก็ไม่มีคือแอบแฝงอยากอยาได้อยากเอาอยากจะเป็นอยากให้มันว่ญญางเปล่าอยากให้มันสงบอยากให้เป็นสักแต่วรู้ แต่สัตว์ทบียนลูกคืออยากให้มันเป็นนิพพานคือมันมีความอยากโผนอยู่ในนั้นหมดเลยเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้พูด อ, อ, อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเรากาขออนุญาตเอาเํามาเล่าเพราะว่ามันเป็นธรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจอยู่ๆเนี่ยกําลังที่เราต่อสู้อยู่นั้นน่ะเราจะลุกไปปิดหน้าต่างดีหรือเราจะต่อสู้กับอาการของใจข้างในดีอยู่ๆ ปรากฏภาพนิมิตเป็นธรรมานิมิตปรากฏภาพเป็นหลวงปู่มีญานโนนีพระอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ทาอาจารย์ลุคโมแล้วท่านเนี่ยเคยนั่งพูดกับหลวงปู่สากันสัตวิโรนั่งถ่ายรูปคู่กันหลวงปู่เสาเรียกว่าอาจารย์มีพระอาจารย์มีหลวงปู่มีเนี่ยเป็นพระอาจารย์รุ่นเก่าสมัยหลวงปู่มั่นหลงปู่สาวนึงอยู่ๆท่านปรากฏวึกขึ้นมาตรงกลางโบสถเลยแล้วท่านเออ เดินจงกรมช้าเอามือประสานกันไว้ข้างหน้าเนี่ยเอามือประสานกันไว้ข้างหน้ากริยาการของท่านที่เห็นเนี่ยมันเข้าไปถึงใจจริงๆว่าท่านไม่ได้มีกิริยาการที่เดินที่มีความสงบกายของท่านแม้แต่เดินอยู่แต่เรากับมองเห็นเป็นความสงบวาจาของท่านไม่ได้พูดก็สงบอยู่แล้ว ใจของท่านก็สงบด้วยมันเหมือนพอเห็นท่านเท่านั้นแหละท่านเป็นหนึ่งเดียวกับความสงบของธรรมชาติแตกมากๆเลยแล้วท่านที่ท่านก็เคลื่อนไหวยอยู่อ่ะแต่พอเห็นก็เห็นท่านปรากฏขึ้นเท่านั้นแหละมันเป็นตัวแทนของความสงบเหมือนกับโลกับธาตุทั้งกักวาลเนี่ย มันจะหวันไหวยังไงก็ตามไม่ว่าลมภายภายนอกพายุมันจะยังพัดอยู่ก็ตามภายในใจของเราเนี่ยมันจะเหมือนพายุบ้าอยู่ก็ตามแต่ท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของความสงบดูมันสงบในท่ามกลางความหวันไหวในท่ามกลางอาการติดที่มันเป็นเหมือนเป็นพายุบ้าท่านสงบได้ในท่ามกลางพายุร้ายที่มันพัดกระ ห, หน่ำนะตางบู บ, บู บ, บู บ, บู บ, บูบู ท่านสงบในความหวั่นไหวท่านสงบในความเคลื่อนไหวเราจึงพบความจริงว่าในความเคลื่อนไหวเลือดเร็วฟานใดรุนแรงฟานใดมีใจที่สงบและว่างร่างเราหาได้ไปทาให้กิริยาการของใจเนี่ยมันสงบเงียบไปหาได้ไปทาให้ลมพายุที่มันพัดตต่งมันกระเพื่อนปุบปุบๆุ บ, บให้มันเงียบสงบไป แต่แท้จริงเนี่ยในท่ามกลางความวุ่นวายในท่ามกลางความเคลื่อนไหวในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมีใจที่สงบและว่างเปล่าภายนอกจะเคลื่อนไหวจะรุนแรงจะมีปรากฏการอย่างไรแต่ในใจลึกๆไม่มีตัวใจมีแต่ความสงบและความ ว่างเปล่ามีแต่ความเยือกเย็นมากเลยมันเยือกเย็นมันสงบมันว่างเปล่ามันมีความสุข ก, ก็ไปถึงก้นบึ้งหัวใจบอกไม่ถูกแต่แต่าทั้งที่จิตมันก็ยังมีอาการวู้ว้บาว้บาว้าว้าว้าวนั้นแล้วก็ภายนอกก็ยังมีลมพายุพัดอยู่นั่นแหละแตกลงแต่พอลวงปู่มียานผู้นีท่านปรากฏขึ้นมาแค่นั้นแหละใจเราเนี่ยมันจะเป็นอาการของใจมันจะเป็นยังไงแต่ใจเรา มีความปลุก ม, มีความสงบมีความว่างเปล่าเลยนะเราไม่สนใจใจเราไม่เข้าไปยึดกิริยาอาการขอ้จิตว่าจะต้องสงบหรือไม่สงบจะมีกิริยาการจิตยังไงใจเราเข้าไม่เข้าไปแกล้ข้าให้ข้าให้ความหมายตัอสิ่งนั้น เ, นนเลยลมพายุจะพัดยังไงใจเราสอบไม่ชอบไปให้ข่าให้ความหมายเลยพอใจแล้วสงบแล้วเราได้แ่บมันละตามันจะก็พูดอะไรไงเดี๋ยวน เ, นยเราก็หาช่างมาซ่อมเอาใจเรามันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเรา เราเลยเคร่องเสมรู้ว่าในท่ากลางาความวุ่นวายมีใจที่สามารถมีความสงบมีความสุขมีความสงัดมีความว่างเปล่ามันบอกไม่ถูกมันรวมกันอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไปสร้างให้มันเป็นหรอกคือมันเกิดจากการปล่อยวางการเข้าไปยึดมั่นหรือไม่าการพยายามไะทำอะไรให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการคือ ตอนแรกเราก็อยากให้เยาการหัวใจมันสงบมันไม่สงบเราก็เลยต่อสู้กับมันแล้วเราก็หนูจีบมันเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบใน <uj> ใจเราเราก็เริ่มมีอารมณ์แล้วเราก็เริ่มมีอารมณ์กับลามไปมีอารมณ์กับคนที่ไปเปิดหน้าต่างไว้อพี่ไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยเราก็รามไปเอ๊ใครมาเปิดหน้าต่างไว้แมสโลบัตช์ขนาดที่เปิดไปสักกว้างหมดเนี้ยเราก็เริ่มไปมีอารมณ์พาไปถึงข้างนอกแอดจีใจเราต้องหากที่ไม่สงบพ่อใจเราสงบแล้วใจเราสงบไม่ใช่ว่าอาการนู้นมันสงบเนอะอาการก็มีเนี้ย แต่เราไม่มีตัวใจที่ไปยุ่งกับอาการหรือว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยที่มันวุ่นวายไปในใจมันไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าต่อใจของเราใจเราว่างปะใจเราไม่มีตัวใจแะมีแต่ความร่มเย็นน้ำอมฤตมันเยื่กเย็นก็ไปในก้นบึ่นหัวใจแล้วก็ไอ้ลมทายุพัดระร่างรุ่นแรงยังไงแต่ใจเราก็มีความสงบร่มเย็ น, ม, นมันเย็นเ ย, เยื่อเข้าไปถึงก้นบึ้นหัวใจบอกไม่ผู่อะ ความสงบอันนั้นมันไม่ใช่เป็นความสงบแบบที่แบบเราสงบแบบนั่งสมาธิแต่มันมีความสงบแล้วมันมีเย็นเหมือนน้ํำอามฤตมันลึกก็ไปถึงขั้นบึ้งหัวใจที่ไม่รูั่วมันอยู่ตรงไหนแต่มันลึกาจนบอกไม่ถูกนั่นแหละพอเราเข้าใจอย่างนั้นในใจของเราแล้วหลวกปู่มีท่านก็หายไปนี่เป็นเรื่องที่เราพาลนาใจฟังเพราะเราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ที่ท่านพยายามไปไล่ปฏิบัติที่ท่านเข้าใจว่าควาพมสงบหรือท่านไปไล่ทำให้ริยาการของจิตสงบเมืม่อจิตอาการยาการของจิตหรืใจของท่าน พ, พยายามท่านมันนิ่งไว้แล้วมันไม่รีบอย่างที่ใจว่าท่านก็มีการคาดหวังไว้แต่จีตท่านไม่ได้ปล่อยวางมันก็เป็นเหมือนอย่างเราเราก็ใจว่าจะแรกว่ะเราก็ใจว่าเราไปวางแล้วเรารู้สู้ๆแล้วเราสัจันรู้แล้ว แต่จริงๆเราไม่ซื้อเพราะใจในเราแอบแสงว่าเดี๋ยวถ้า <40 S 2> เราซื้อซื้อื้อแล้วเดี๋ยวกิริยาการของจิตมันสงบหมดใจเราจะสงบและว่างเปล่าแต่จริงอ่เราไปเอาว็อกไม้เอาตรงที่กิริยาการของจิตมันจะสงบและว่างเปล่าพอเราเนี่ยมันเป็นสงบและว่างเปล่าอย่างที่ใจเราต้องการใจเราเลยมุกจิตมีอารมณ์มั่งโมลำคาญกับอาการของใจที่มันไม่มันวุ่นวุ่นว่าวาว่ามันไม่สงบ แล้วเราก็เลยผ่านไปงูหยิกคนเป็นอกที่เปิดหน้าต่างพิงไว้เนี่ยมันที่มั น, นทะเลาะ ก, กันเอเราไปเห็นมาหลายวัดแล้วอยู่ในโรงครัวต่างๆเนี่ยทุกโรงครัวเลยในว่าไหนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นมากคืออยู่ในการและกตรทะเลาะ ก, กันเพราะว่ามันเป็นตา้ใจอ่ะกิจการหงุดหงิดอ่ะมันสงบแล้วมันไม่สงบพราไม่สงบแล้วมันก็ลามไปทะเลาะคนอนไปกุศละนะีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วทะเลาะ ก, กันทุกทุกวัดไปไอ้ตรงเนี้ยและจริงเราก็เข้าใจผิตมาก่อนเนี่ยเราพเข้าใจจิต เราก็มัอ่านใจเราไม่ขาดว่าเรามีความอยากให้ใจ ม, มันสงบคือหมายสงบของเราไปหมายถึงว่าปิยาการของใจที่ ม, มันสงบท่านจริงเลยใช่หรือเรายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่ามีลูกติดเนี่ละลูกพีก้อนก็ปูทาท่านฟุ้งสร้างน่าหลายวันแล้วท่านก็พยายามต่อสู้ให้ใจิตใจมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วพยายามจะทําให้ ม, มันสงบมันไม่สงบท่านก็หดุดหงิดหุดหงิดกับใจที่มันไม่สงบ เพราะว่าจิตมันบางกุ่งสร้างท้านอยากให้มันสงบแล้วมันไม่สงบท่านก็เลยงุนดิตเริ่มงุนจิตเนี่ยคนเราพอไปงุนินี่ก็เลยงุนหิดคนอื่ น, นด้วยกายเปนงุนิคนอื่น <S 2> <S 2> มีอะไรก็เห็นหูกวางตาท่านงงงุนจิตไปหมดเลยมันไม่รู้ตัวตัวเนี่ยตัวก็จะไม่รู้ตัวด้วยนะวันนี้ถ้ากับงุนจิดอยู่นั่นและรับสู้ต่อสู้กับมันกับอาการหงุดงิดที่มันปุ่งสร้างจะทำให้มันสงบแล้วมันไม่สงบพอท่านเข้าไปพบหลวงปู่ทานั่นแหละหลวงปู่ทาบอกว่าสงบก็เอา ภุงานก็เอาพู้จึงพรษาตรสารนะคับสงบก็เอาภูงนก็เอาภุงานก็เอาสงบก็เอาเอามาทางนั้นแหละท่านบอกว่าไม่ได้เชื่อเลยใจของท่านมันก็ยังภูงนแล้วมันก็สงบบ้างไม่สงบอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างแหละแต่แปลกสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมสุดกิริยาการวิจิตเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมสงบบ้างไม่สงบบ้าง แต่ใจของท่านมันมีความสงบและเป็นสุขแล้วถ้าจะเปรียบเทียบทาสมมติก็เหมือนกับว่าไอ้ใจที่มันมีความสงบและว่างเปล่าเป็นสุขเนี่ยมันไม่ใช่จิตส่วนที่มันเนเป็นกิริยาการมันคนละเรื่องคนละตัวกันเลยคือจิตที่มันปรุงแต่งเป็นความกุศลไว้เดี๋ยวสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบไม่ไม่สงบบ้างมันเป็นกิริยาการของจิตแต่มันมีใจที่มันเหนือกว่านั้นขึ้นไปคือที่ลึกจนไปจนหาจนให้เจอ จนหาที่หมายไม่เจอมันเป็นมีความสงบมีความสงัดมีความสุขมีความเหมือนกับเป็นน้ํำอมฤตเยือกเย็นเย็นกายเย็นใจออกไปถึงภายนอกมันมีความเมตตาไปทุกสัตวสิ่งเมตตากับทุกสัตวสัตว์ไป่ได้มีชีวิตไม่มีความเห็นไม่มีสิ่งสุดสิ้นมามันเมตตาออกไปจากพุทธหัวใจมันออกไปจากใจภายในภายนอกพูดวายอย่างไรคือภายนอกตัวเราเนี่ยมุดวายอย่างไร ใจใจเนี่ยมันก็ยังสงบร hm. ่มเย็นและเป็นสุขอ ย, อยู่นั่นแหละอ๋อจิตแสดงกริยาการอย่างไงขันห้ามีเขาวุ่นวายอย่างไงร่างกายเจ็บป่วยร่างกายจะเจ็บป่วยอย่างไงก้นมืงหัวใจก็ยังสงบร่มเย็นและว่างเปล่าเยอะนั่นแหละนามขันรูกเวทนาสัญญาสังขารจิยาณนามขันที่เป็นความรู้สึกเป็นอิจอารมณ์จะวุ่นวายว่าว่าว่าอย่างไรก็ตามใจมันก็ยังมีความสงบร่มเย็นและว่างเปล่าเยอะนั่นแหละมันเลยรู้ว่า ใจเนียมันมันไม่ใช่จิตที่ปรุงแต่งใจมันไม่ใช่ร่างกายที่เป็นขันห้าใจมันไม่ใช่ว่าพูดที่ไปไล่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบคือใจมันไม่ใจคือพูดที่มันไม่มันได้มันได้เปเกาะเกี่ยวบัพันสิงใดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายต่อมันเลยมันได้แต่รับรู้ทุกอย่างจับแต่ว่ารับรู้แต่รับรู้ก็มันไม่ได้เป็นเจตนาที่จะรับรู้หรือจงใจรับรู้เนี่ย มันก็ได้แต่รับรู้เลยไม่ได้จักตั้งใจจงใจที่จะไปรับรู้หรือเจตนาที่จะไปรู้ไปรู้เห็นหรือว่าเจตนาที่จะไปไล่ละไล่ปล่อยไลวางอะไรลรอกแต่จริงอะ่ะมันเป็นธรรมชาติของมันแท้ๆเลยที่มันรู้ออกมาจากใจที่มีแต่ความสงบและความว่างเปล่ามันเลยเป็นภาษาพูดมันจะพูดยังไงเราเลยต้องยตัว อ, อ, อ, อย่างมันจะเข้าใจเหตุภาพภาพกไ็ได้ได้ชัดเจน เราจึงรู้ว่าไอ้ขันห้าที่มันมีเป็นความรู้สึกเป็นทิศอารมณ์ที่มันแสดงกิริยาอาการมันไม่ใช่ใจมันเป็นคนส่วนคนละส่วนกันภาษาจะเรียกว่าใจความจริงมันก็เป็นภาษาสมมุนว่าใจแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางที่มันไม่มีตัวใจถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่ามันคือตรงกลางของไม้ไผ่อะไม้ไผ่ใช่ไหมเราเราหลายคนรู้จักไม้ไผ่ ไม่ไผ่เนี่ยต้นมันก็มีน้ำวเวราควรจะผ่านก็ไปได้ต้นมันเนี่ยน้ำเกาะเกี่ยวลบไปไปหมดเลยเราผ่านน้ำก็ไปได้แล้วอย่าไปเจอไอ้ตัวผิวไม่ไผ่เราผ่านผิวไม้ไผ่เข้าไปแล้วก็ยังไปเจอเนื้อไม่ไผ่อีกเอามีถ่าเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปยังไปเจอเนื้อไม่ไผ่แต่พอเ้นเรื่อยเรื่อยเอากิ่งก้านออกไปหมดกิ่งก้านของมันที่มีน้ำเนี่ยเราลิดรอนไปหมดเลยเหมือนกับเป็นกิริยาการต่างๆหรือเป็นภายนอกของลำต้นไม่ไผ่เราลิดรอนเข้าไปหมดนี่เราค่อยหมดเสร็จแล้วก็ไปถึงผิวไผ่ เลื่อยเอาเลื่อยเข้าไปเลื่อยถึงเนื้อไม่ผาเข้าไปเนื้อไม่ผาเข้าไปพอเลื่อยผ่านเนื้อไม่ไผ okay. ่เข้าไปแล้วถึงข้างในจะเป็นอะไรรู้ไหมเออเป็นความว่ากายเขาบอกไม่ผายนั่นแหละไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่เรียกว่าอะไรหรอกมันจะเรียกมันก็เขาเขสมมติเรียกว่าใจมั่งเรียกว่าภูษะมั่งเรียกว่าเรียกว่าผ่านรู้เรียกว่าอะไรมันเป็นชื่อสมมติแค่นั้นแหละแต่มันคือเหมือนกับเป็นตรงกลางของเขาบอกไม่ไผายอ่ะเออ เป็นตรงกลางเขาบอกไม่ไผ่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีกิริยาการใดๆหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันเลยมันรู้ออกมาจากนั้นเนี่ยมันรู้ออกมาจากไอ้ตรงกลางผมก็บอกไม่ไผ่นั่นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความว่างเพราะมันผ่านเขาบอกไว้ไผ่เข้าไปตรงกลางมันมีแต่ความว่างแล้นี้เราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันผิดตรงเนี้ยมันสวนทางกับความจริงคือมันมีตัวเราเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยความจริงเนี่ยตัวเราเนี่ย มัน ม, มีตัวแหละแต่เราพูดสมมติว่าให้เป็นตัวไว้มันมีตัวเราการปฏิบัติเนี่ยนะมาสวนทางกันตรงกันข้ามไอตัวเราเนี่ยคือตรงการกระบอกไม่ไผ่ตัวเราเนี่คือตรงการกระบอกไม่ไผ่ที่มันรู้ออกมาที่เนื้อไม่ไผ่รู้ออกมาถึงผิวไม่ไผ่รู้ออกมาจากกว่าหนาไม่ไผ่ที่แขนงไม่ไผ่รู้ออกไปถึงข้างนอกไม่ไผ่น่นแหละรู้ถึงคนนั้นคนนี้ลูกหลานรู้ถึงไงลูกธุรกิจเสียงสกำปั่นอะไรภายนอกมันก็คือออกไปยนอกไม้ไผ่ไว้เรื่อยคือมันรู้ออกมาจากตรงการกระบอกไม่ไผ่ คือรู้ออกมาจากใจที่ว่างเปล่านั่ น, นแหละนั่นแหละคือเป็นรู้แต่เ ว, เวลาเวลาเห็นพวกเราปฏิบัติกันนะทั่วๆไปทั้งหมดก็เหมือนกันมันน้วันนีตัวรู้อ่ะคือเอาตัวเราเนี่ยรู้ข้างนอกเข้าไปหาข้างในเข้าไปหาเข้าไปข้างในรู้จากข้างนอกเข้าไปหาปกริยาการมีผู้มองก็เหมือนกัมีผู้ถ้าพูดถึงร่างกายก็เหมือนกับก้มหัวมอง ก็หัวมองดูเข้าไปข้างในตัวเราแล้วก็ดูกิยาการนิจดูร่างกายเราดูกิจการจิตและที่สุดอน่ยมีตัวเราเนี่ยดูก็ไปถึงความว่างบรรยายเป็นว่ามีตัวเราเนี่ยดูดูดูดูจะกรนัำผ่านกิยาการนิจไปแล้วก็ดูผ่านใจที่สงบไม่ไม่สงบอยากให้สงบแล้วก็มีตัวเราข้างนอกเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปหาข้างในเข้าไปหาตัวที่สงบผ่านสงบเข้าไปเข้าไปหาความว่างเปล่าข้างในแล้ว เราก็มีตัวเราเนี่ยหาออกจากข้างนอกข้างนอกข้างนอกเข้าไปเหมือนกับตัวเราหาความว่างางข้างในของลำไม่ไถ่เลยหาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วเราก็ตัวเข้าไปแล้วไปเจอความว่างแล้วเราก็ชอบใจแล้วเราก็อยู่กับความว่างแล้วหลายคนก็บอกเราว่าอาจารย์ว่างแล้วพ้ความว่างแล้วว่างแล้วคนที่เหมารดตู้มาหาเราต้องคันสองขันมาหาเราเป็นรถตู้เลยบอกมาให้มาเพื่อให้เรารอกว่าเนี่ยอาจารย์ดูดิว่างว่างเลยเนี่ยดูอาจารย์เชื่อดูสิว่างแล้ว คนที่มันใจมันว่างมันจะการไม่แบบไม่มีตัวผู้ว่างคือไม่มีตัวผู้ว่างไม่มีตัวผู้เสร็จความว่างมันไม่มีใครต้องให้ใครไปรับรองหรอกใจมันไม่ดีอะไรแล้วต้องให้ใครรับรองอ่ะเดี๋ยไปดูไปอาจารย์มาดูดิลองอาจารย์ลองดูไม่เชื่อลองดูก็ได้หรอกใจมันว่างเราเลยบอกว่าเออตอนแรกเนี่ยใจมันก็ว่างมันอยู่แล้วแหละต่ตอนนี้ยมันไม่ว่างแล้วมันก็ไม่พอใจธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็ว่างเปล่าออาจารย์ก็บอกไม้ผ่านมันก็ว่างแล้ว แต่มีคนนะครับพยายามจะเจาะเราไม่ไผ่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเราในข้าไปอยู่ตรงกลางเขาบอกไม่ไผ่ไอ้ตรงกลางเขาบอกไม่ไผ่เดิมมันว่างแต่ตอนเนี้ยเราไปพบความว่างนั้นเราไม่ว่างแล้วคนเราเขาไปพบความว่างเราไปอยู่กับความว่างจับความว่างได้แล้วอตรงเนี้ยกลางเขาบอกไม่ไผ่เนี่ยเดิมมันเป็นความว่างอยู่แต่นนี้ไม่ว่างแล้วคือมีตัวเราเข้าไปอยู่ในความว่างไปอยู่ในมันแล้วเขาก็ยังไม่ก่อใจแล้วบอกว่าเนี่ยเราก็รู้ว่าห้องมันว่างอยู่ไม่มีคนอยู่แล้วก็บอกว่า เราเราเปิดประตูเข้าไปที่ในเนี้ยมีคนอยู่ไหมเราเปิดประตูห้องเข้าไปที่ตอนนี้มีคนอยู่ไหมในกองห้องเนี้ยเราเปิดประตูเข้าไปในห้องที่มีคนอยู่ไหมแต่เรารู้แล้วห้องมันว่างอยู่เลยเดิมในห้องมันว่างอยู่แต่เขาเปิดประตูห้องเข้าไปเขาก็ตะโกนใส่เลยว่าพรางมันว่างเพราะมันว่างไม่มีคนเออเราบอกว่าเมื่อกี้มันว่างแต่ตอนเนี้ยห้องไม่ว่างเพราะว่ามีเราเข้าไปอยู่ในห้องว่างแล้วก็พอไปเจอห้องว่างแล้วก็มาอยากออกมาเลยแล้วก็บอกว่าผมว่างแล้วผมว่างแล้วมันคนละอย่างกัน เนี่ยตรงเนี้ยเวลาสอนเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างเล่าเป็นตุกาตาเนี่ยมันถึงจะบางทีเราก็ไปลวกมันมันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดเกินไปพ่อแม่ปวดใจประกวแต่พวดเล่าเป็นพูดเล่าเราก็ตึกอัพึ้งอัพพิจาณานอยู่นานแต่เพื่อประโยชน์แห่งธรรมเราก็มาเล่าให้ท่านฟังนะคื อ, เ ร, รอ เ, เราเนี่ยวิจัยเนี่ยเราเนี่ยวิจัยที่วางเปล่าแล้ว แล้วแต่เรามันรู้ทุกอย่างออกมาจากใจด้วยวางปล่ามันเยือกเย็นมันเหมือนน้ำธรรมลิตรมันมีความสุขมีความสงบมีความว่างมีความมีความอะไรมันบอกไม่ถูกที่ดีอะไรเลยนะมันมันมันได้แต่รู้ทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างออกมาจากใจแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้มีภาพเคลือนไหวจะมีกิริยาการสนใจขันห้าจะเป็นยังไงใจมันก็ไม่เป็นทุ่งเดือดร้อนร่างกายจะเป็นยังไงมันก็รู้อยู่ว่าร่างกายเจ็บปวดพาตัวไปหาหมอพาร่างกายไปหาหมอแต่ใจมันก็ไม่ได้เป็นพุ่งเดือดร้อน คนอื่นครอบครัวจะเป็นยังไงกับพาไปหาหมอแต่ใจมันก็ไม่ไปทุกเกดือดร้อนเราเองก็เคยมีลูกมีลูกฝาแฝดชายหญิงเอาลูกฝาแฝดชายหญิงไปค่าเลือดออกพ่อแม่เขาก็พาไปเข้าโรงพยาบาลพาไปเข้าโรงพยาบาลเลือดมันก็ไหลออกจาหมูกฝากไม่หยุดเขาก็โทรศัพท์มาเป็นพร้องกันเลยสองคนฝาแฝด เขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าตอนเนี้ยไม่มีหมออยู่ที่โรงพยาบาลหาหมอไม่เจอมีแต่พยาบาลแล้วเลือดมันไหลออกมาเนี่ยโอ้ยน้ำในกละมังเนี่ยแดงฉานเลยไม่สามารถจะห้ามเลือดหยุดได้เขาก็โทรมารละล่ำระลักอย่างบอกว่าตอนนี้เลือดมันไหลออกมาเนี่ยจมูกฝากมันทำนยังไงเลือดก็ไม่หยุดพยาบาลพยายามช่วยยังไงก็ไม่หยุดตามหาหมอไม่เจอโทรศัพท์มาเราก็มาพิจารณาว่าเราไม่ใช่หมอเราอยู่ตั้งไกล ถ้าเรากลับไปอ่ะเขาจะตายเพราต้องตายเราไม่กลับไปเขาจะตายก็ต้องตายเขาบอกให้ไปหาหมอนั้นเราเป็นคาราวาสอยู่กำลังเป็นประธานทอดกะิิอยู่ในป่าในวัดป่าเขาก็าเลงเล้าใหญ่แต่เราไปไม่ได้เราเพราะว่าเราเป็นประธานทอดกะปิอยู่กําลังกําลังทอดอยู่แล้วมันก็อยู่ไกลกันมากบนละจังหวัดเราไปก็ไปไม่ทันหรอก เราก็ไม่เชื่อหมอด้วยถึงรับไปถึงถ้าเขาจะตายเขาก็ต้องตายเราไม่ไปถ้าเขาจะตายเขาก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่ไปเขาไม่ตายเขาก็ต้องไม่ตายเราก็เลยอธิษฐานว่าขออำนาจมุณลบารมีที่เขาทมาแล้วทั้งหมดที่เราทามาแล้วทั้งหมดทุนทั้งคุณมคุณกระสังฆคุณก็คุยดามาดามเชื่อช่คุ้มครองรักษาเขาถ้าเขาจะไม่ถึงเขาตายให้เขารอดปลอดภัย ไอเขาได้กับโยญแจกุญแจท่นนนนนานกุญแจะตัดเส้นหากรไฟท่านแล้วแล้วห็อกว่าไม่กลจับไปหลับไปหาหมอเลย่งไปถาม ห, าหมอเราก็ทาพิธีทอกตะินต่อไปเขาก็พักใหญ่ๆเขาก็โศกกลับมาว่าหมอกลับมาช่วยแล้วแล้วก็เอาอะไรเมายามาช่วยอะไรไงไม่ทบบเลือดก็ห้าห้ามเลือดหยุดหมดแล้วเด็กก็ปลอดภัย เราก็ไม่กลับนอะเราก็ไม่กลับแต่เราก็แปลกมากเลยเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็ไม่หวั่นไหวลูกค้าแปลกเลยเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเราก็ไม่กลับไปเลยเราไม่ใช่หมอเรากลับไปถึงแล้วเรากลับไปถึงเขาเราก็ช่วยเขาไม่ได้เขาก็ต้องตายเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราไม่กลับไปจะเขาจะตายเขาก็ต้องตายเพราะว่าเขาถึงข่าวที่ต้องตาย อันเราก็ไม่ลับไปให้เขาไปหาหมอมารักษาแทนจะตามหาหมอมาให้ไยาบานไปตามหาหมอที่ไหนตู้จับไปตามมาให้ไปตามหาหมอมาพอ ห, หมอมาก็เขาก็ช่วยให้เลือดดีขึ้นเราก็ทิศานอบุญบามีของเขาของเราของพุทธพุทธเจ้าเขาทำพยาสงดูดำดำกูบาอาจารย์ช่วยเหลือเขาถ้าเขาจะไม่ถึงที่ตายก็ขอให้เขารอดปลอ ด, อดภยัยให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ทานประโยชน์ศักสนามต่อไปมีชีวที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือตอนเองและผู้อยู่ในคนทุก เก็รอดปลอดภัยมาได้เรื่อยๆทุกครั้งเราก็ไม่หวั่นไหวไะ้ไ่มใจเนี่ยมันคือมันไม่หวั่นไหวออกมาจากใจแต่ใครนอกมันก็มีปัญหาอยู่มันจะมีปัญหาแต่ใจเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็แก้ปัญหาไปตามเหตุตามปัจจัยพาเขาไปหาหมอร่างกายเราเจ็บใค่ได้ป่วยก็พาตัวเราไปหาหมอจิตใจมันวัววัวอยู่มันก็เดือดเดอดมันก็ดิ่งดิ่กันใจให้หายป๊อกป๊อกป๊แบบเป็นดิ่งดิ่ก็เหมือนกับอะไรมันบ้าเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอยู่ๆใจมันก็ให้หาย มันก็ม่ไม่ไมมันเฉยๆอย่างนัแะแต่พวกเราเนี้ยมันเป็นเครียาอาการที่ไม่เที่ยมภายนอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นลูกเป็นครอบครัวเป็นอะไรร่าษกาที่มันเจ็บไข้ปวดมันก็ไม่ของไม่เที่ยมแต่ใจเนี้ยมันไม่มีส่วนจนไม่มีอะไรเลยมันก็ได้แต่รู้ออกมาจากจากรู้ออกมาจากภายในมันไม่ได้เป็นวุดนวายกับอะไรได้หรอกถ้า ม, มีอะไรเป็นวุ่นวายกับมันได้มันก็ไม่เป็นวุดนวายอะไรก็ได้มันได้แต่รู้เไม่ใช่ปะ มีตัวเร <IL EN C IO> าไปจงใจรู้ตัวเราไปจงใจละตัวเราไปจงใจปล่อยวางวมันไม่มีจงใจจะไปรู้ไม่มีเจตนาที่จะไปรู้คือมันรู้ออกมาจากใจมันกับว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี้ก็ตามก็มันก็รู้ขึ้นมาเลยว่ามีคนมานั่งในที่นี้มันก็รู้ขึ้นมาเลยโดยไม่จงใจไปรู้คือ ม, มีคนทั้งหลายมานั่งในที่นี้มันก็รู้ไปเลยมีเสียงเราพูดมันก็รู้ไปเลยไม่ต้องว่าจงใจว่าต้องรู้เสียงเราคือมันก็ได้ยินเสียงไปเลยนั่นแหละคือมันรู้ออกมาจากธรรมชาติเลยมันเป็นธรรมชาติที่รู้ขึ้นมา แล้วกาจะจบเราจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งถ้าอยจะเข้าใจเพิ่มขึ้นถ้าใครเคยดูหนังกำลังภายในดูหนังกำลังภายในนะหรือพอบอกเล่าก็พ อ, อจะเข้าใจได้อพวกหนังกำลังภายในหรือพวกนินจาเนี่ยเวลาเขาจะมีพระเอกแส่งชุดขาวหรือปรมาจารย์สื่อแฝงที่เป็นอาจารย์ที่มันหนวดขาวขาวโพนผมขา ว, ขาวโพลแล้วก็ใส่ชุดขาวเนี่ยอย่างพวกเร า, กาเนี่ยใส่ขาวทั้งชุดเลย แต่เป็นผู้ที่เก่งมากเก่งทางด้านวิยุทธ์มากอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วถูกล้อมด้วยพวกที่มีกําลังภายในสูงมากเลยมาล้อมจะทําร้ายท่านหรือพวกมีนจาที่แต่งตัว ด, ำดำําๆขูดไม่มงคําๆเนี่ยที่กว้างดาวบ้างอะไรกลางที่ ท, ที่ที่เคลื่อนไหวเร็วมากมีกําลังภายในเคลื่อนไหวเร็วมากมันล้อมเต็มเลยนี่พวกที่มีกําลังภายในและเคลื่อนไหวที่เร็วมากมันก็ล้อมท่านอย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วก็เค leads, ลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วคอยจะคนไหนมีโอา ก, กาสก็เข้ามาฆ่าท่าน เข้ามาฆาท่านาก็หลบวิ่งวูบวูบวูบวูบบบวูบหลบตัวท่านหมดเลยแล้วก็ค น, น, นไหนที่กำลังภายในก็มีความเร็วจะ่อยเข้ามาฆ่าท่านทีละคนแต่ผู้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่ใส่ชุดขาวเนี่ยไม่ได้หวันไหวไม่ได้แบบว่าถือดาบแล้วก็วิ่งหันซ้ายหันขวาแล้แบบวไอ้แบบว่าตาดีตาลานตาเลือกแบบว่า กัวอว่านซ้ายอ่านขวาไปดูคนนั้นไปดูคนนี้หันไปดูคนนั้นหันไปดูคนนี้เขามีความสงบมากเลยนิ่งและสงบมีแต่นิ่งและสงบและมีหลอดตายนิ่งมากเลยนิ่งมากและสงบมากเลยแต่พอคนคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีกําลังไาย์นที่ล้อมอยู่หรือพวกนินจาที่ล้อมอยู่เข้ามาใกล้เขาเพนั้นเนี่เขาก็รู้ทันทีเลยว่าสี่ผู้ที่เข้ามาใกล้เขาเพราะความสงบเนี่ย มันจึงรู้ถึงความเคลื่อนไหวได้เพราะความสงบเขาเนี่ยมันไม่ได้สงบเฉพาะกายอย่างเดียวมันสงบเข้าไปถึงใจพวกปรมานจาร์แล้วเนี่ยจิตของท่านมันสงบเข้าไปถึงใจใจของท่านเมื่อสงบแล้วท่านจึงรู้ความเคลื่อนไหวว่ามีสิ่งใดที่หนึ่งเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ตัวเข้ามากเกินไปแล้วเขาก็เอตวัดตวัดแว๊บออกไปผู้ที่เคลื่อนมาเคลื่อนไหวใกล้ตัวท่านกะตายแล้วก็ที่ที่ตวัดแว๊บก็หายไปไม่รู้ว่ามันตวัดมาจากไหน แล้วก็เดี๋มีมาเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีละคนทีละคนเข้ามาวัดเข้าว่าแตคนตรงกลางก็ยังคงสงบและไม่แทบไม่เคลื่อนไหวจนกระทั่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาใกล้เขามากเกินไปเขาก็ตวัดแฟกซึมาแล้วก็คนที่เข้ามาใกล้หรือสิ่ที่ดาวที่ว่างมาก็กระเด็นหายไปแล้วก็กลับคืนสู่ความสงบได้ได้อย่างนั้นเนี่ยมั่นคงเพราะความสงบเนี่ยจึงรู้ถึงความเคลื่อนไหวได้ จิตสัพตะรู้ถึงความเคลื่อนไหวได้เพราะใจมีความสงบเยือกเย็นนี่เองจิตสัพตะรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเคลื่อนไหวละเอียดเพียงใดเพราะความสงบและเยือกเย็นนี่เองจึงสามารถเอาชนะความสงบล่มเย็นได้หอเอเอาชนะความวุ่นวายความที่เคลื่อนไหวได้าจึงมีภาษาที่ว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวความสงบระยับความเคลื่อนไหว เพราะใจที่สงบเนี่ยซึงสา ม, มารถสงบปรสยบความเคลื่อนไหวได้ไม่เชื่อว่าพยายามไปดับไล่ดับความเคลื่อนไหวหรอกแต่เพราะใจที่สงบเนี่ยสิ่งใดที่เคลื่อนไหวมีความรุนแรงปานใดทำอะไรใจที่สงบและว่างเปล่าไม่ได้สิ่งใดที่ความีกําลังสูงสุดในต่อยฝึกลังจิตมีอํานาจสูงสุดฝึคุณไส่ฝึอํานาจจิตทำคุณ ใ, จใจส่ใส่คนอื่นแต่ทําอะไรของใจผู้สงบและว่างเปล่าไม่ได้ ความว่างเปล่าเนี่ยยิ่งเหนือกว่าทุกสัจปณ์ใจที่ว่างเปล่านะ้ยิ่งเหนือกว่าทุกสัจปณ์